บทภาชณีติกปาปาจิตตี65มาตุคามภิกษุสําคัญว่าเป็นมาตุคามแสดงคําเกินห้าถึงหกคำต้องอบัตปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงส า, าอยู่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจแสดงคำเกินห้าถึงหกคำต้องอบัตปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงส า, าอยู่มาตุคามภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่มาตุคาม แสดงธรรมเกิน5้าถึงหคำต้องอบัตปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ติกาทุกกฎภิกษุแสดงธรรมแก่นางยักษ์นางเปรตบันดะหรือสัตว์ดิเรกชันตัวเมียซึ่งแปลงร่างเป็นหญิงมากกว่า5้าถึงหคำต้องอบัตทุกกฎเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ไม่ใช่มาตุคามภิกษุสําคัญว่ามาตุคามต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎ ไม่ใช่มาตุคามพิสูจน์สำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามไม่ต้องอาบัต